ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่ายรแต่รมพระโภธิยานในวันนี้ก็กำลังพูดเรื่องพระุจเจ้าพระโพธิสัตว์นะฮะจริงจริงตอนนี้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ทรงคิดค้นเรื่องเบญจขันธ์ก่อนการจัดสรุแต่เนื่องจากเป็นปัญหาที่คนข้างใหญ่ก็เลยเน้นย้ำสองวันติดต่ อ, อ ก, กัน วันนี้คงมาดูข้อความต่อไปแต่ข้อความต่อไปนั้นมันจะเป็นข้อความที่ซ้ำกับตอนท้ายธรรมจักเพียงแต่เป็นการยืนยันให้เห็นถึงว่ายังนึกว่าพระไทยของพระพุทธเจ้าพระโพธทธสัต์ก่อนที่จะขึ้นไปประทับนั่งบนต้นโพนี่นะมันจบโภมาโลกแล้วนะ คือสมมติว่าจะสิ้นประชนลงไปในเกิดในพรหมโลกแล้วหมดภพหมดภูมิแล้วหมดภพที่จะอุบัติแล้วคือเข้าถึงภพสูงสุดคือเนวสัญญาณาสัญญาจตนาภพเป็นภพที่สูงสุดในบรรดาภพทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็แน่นอนว่ามันยังมีสามภพ ไม่ใช่จะมีห้าภพคือพวกสุดทาวาสเนี่ยยังไงท่งานก็ไปยังไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่ห้าภพบต่อ น, นั้นเป็นที่เกิดของพระอนาคามีแต่สรุปว่าระดับก็เรียกว่าฌานสมาบั ต, ติมันหมดแล้วตรงนี้ที่จริงวิปัสสนาไปแล้วนะตรงเนี้ยที่มาพิจารณาในความอร่อยของขันห้า แล้วก็โทษของขันห้าแล้วก็ทางสลัดออกเพราะในการสลัดออกนี่ก็คือการต้องพยายามใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษแล้วก็ถ่ายถอนความกหนักความพอใจออกไปแต่ก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าจิตใจของเรานั้นมันวิปริตก็เลยวิปรลาดเกินมองคลาดเคลื่อนจากความจริงก็มีการกหนักระเพลิพนยินดีอย่อางเนี้ย โดยที่สำคัญอย่างยิ่งคือเราเป็นสัตว์โลกระดับกาหมามาเจรภูมจิตมันก็หมกปมุ้นคุค้นคิดในเรื่องเหล่านี้อยู่เพราะฉะจึงสอนให้บรรเทาในแนวของของวิตกวิตกบทที่ทรงใช้กับมาฉลาดในวิตกในการสอนในพวกบรรเทาพวกละ ความกำหัดความพอใจในขันห้าเนี่ยพูดจะรวมเป็นขันห้าเลยเนะคมันมีคำสอนอย่างหนึ่งที่ทรงเรียกว่าอปศเสนธรรมแปลธรรมะมันเหมือนกับพนักอิงเป็นลักษณะของก็ เ, เรียกเก้าอี้นิรภัยนะอาจจะแปลเป็นไทยปัจจุบันว่าเก้าอี้นิรภัยเพราะว่ามันเหมือนกับเรานั่งรถนั่งเครื่องบินแล้วก็คาดเซฟตี้เบน อะในขณะเดียวกันไในข้างหลังเราก็มีพนักพิงและข้างๆเราก็มีที่วางแขนเลยก็รอบสี่ตัวเป็นความปลอดภัยโดยสอนในแนวของการใช้ปัญญาพิจารณาทีนี้อสิ่งที่เราเสพนะคือวัตถุกรรมสิ่งที่เราเกี่ยวข้องคือวัตถุกรมคือขันธ์ห้าอีกแั้นนะี่ะขันธ์ห้ามันจะครบห้าหรือไม่ครบก็ตามแต่ว่าคือขันธ์ห้านั่นแนหะ ก็โดยใช้ปัญญาปีนิพพิจารณาบางครั้งเราไปมีปัญหากับอาหารซึ่งเป็นรูปประคันอาหารนั้นก็คือการห้างคือเป็นรูปประคันแต่เมื่อเราพอใจในอาหารมันก็เป็นเวทนาขันเราจำว่าอาหารนี้อร่อยความจํานั้นก็เป็นสัญญาขันแล้วก็ อาไปดูอาหารหรือว่าจมูกไปสูดกลิ่นอาหารก็เป็นวิญญาณขันธ์แล้วเกิดพอใจก็เป็นสังขารขันธ์ก้าอีกแหละมันก็อยู่ในขันธ์ห้านั่นแหละแต่เป็นตัวกําหนดสถานภาพของอาหารเหล่านั้นเพราะงั้นท่านจึงทรงสอนให้พิจารณาแล้วบริโภคเชา้ากับมาเสบเราคิดว่าบริโภคกันแล้วกัน คือว่าปัจจัย4ีเนี่ยมันเป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสัตว์ต่งหลายนั่นจะดูได้โดยอาหารแต่ว่าทายังไงในการรับประทานอาหารเป็นต้นเนี่ยอย่าถึงก็ต้องเป็นธาตุของตัญหามีอะไรก็กินๆนหนักท้องไปแต่นั้นเองสำนวนบาลีเนี่ยไพเราะแต่ว่าเราไม่ค่อยเข้าใจนะเรียกว่ายาปนัดมัตตัง เร่ว่ายางอัตภาพไปเป็นไปได้ก็แล้วกันเหมือนกับน้ำมันหยอดเครื่องเนี่ยให้มันเครื่องมาเดินได้ก็แล้วกันอย่าไปติดใจในรายละเอียดอะไรมากโบราณได้มีคาคำหนึ่งว่าจืดๆกรอยๆอร่อยเมื่ออยากมันเป็นวิธีปรุงได้ดีนะภาษาธรรมดาก็คือว่าเขาเรียกว่าคติชนวิทยา ปุญญาตาาเรานี่คิดอะไรได้คุมขมมานะ่ะเกิดมายังมองว่าเราไปตื่นก็ล่างมากไปเพราะร่างไม่ลึกซึ้งนะ่ะกระรงความคิดมันไม่ได้มาจากผลการศัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันมาจากความกลัวพระผู้เป็นเจ้านะเรามาจากการทําลายผู้เป็นเจ้าคืออวิชชามันคนลเรื่องกันนะนะแต่ว่าแปลกเราไม่เคารพปูมิปัญญาของบรรพชนเรา ภาษาอย่างเงี้ยภาษาธรรมดาธรรมดาจื ด, จดกๆกรอยๆอร่อยเมื่ออยากทีนี้ถ้าเราไม่บรรเทาเราบรรเทาความอยากเสียก็กินให้มันชีวิตมันอยู่ได้ก็แล้ว ก, กันเห็นไหมอาหารนั้นก็สำเร็จเป็นอาหารรกิตไปจริงๆเน่ยวิวัยนที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารดูดซับอาหารเข้าไปเนี่ยแกไม่รู้จักอร่อยอะไรเนี่ยมันใจแต่นั้นเองมันไปนอร่อย ใจไปกำหนดเอาก่อประสาทลิ้นไม่พิการแล้วก็ใจก็ไปรับเขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณแล้วก็เกิดอร่อยขึ้นมาเพราะันถ้าพิจารณาเพียงแต่ว่าการรับประทานอาหารนี้ก็เพื่อขจัดความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ได้การมีเรี่ยวแรงสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้สำเร็จประโยชน์แล้วก็พอแล้วมากน้อยไม่สาคัญ ใหญชีวิตพ้าเนี่ยบางทีก็เห็นชัดนะบางทีเราเห็นอาหารเนี่ตกใจเลยมันเยอะจังเลยบางทีก็ไม่มีอะไรมันก็อยู่ในประเภทที่เรียกว่าบางบางคราวไม่รู้จะฉันอะไรบางรู้ไม่บางคราวไม่รู้จะฉันยังไงมันจะมีอยู่สองประเภทอย่างเนี้ยไม่ไม่อยู่ในจิตจุดพอดีสักทีนึ่งแต่ว่าก็มีนะฮะคือสมัยที่ อยู่ต่างจังหวัดหรือไปศึกษาที่อินเดียเนี่ยเราเข้าใจคําว่ายาปนมัตตังเลคือต้องรอ้อยหิวจนหน้ามืดไปเลยตาลายเลยแล้วก็ฉันจะ จ, จ, จังก็ไปเรียนเรียนให้หนักทํา ง, งานให้หนักกินให้ชีวิตมันไปได้ก็แล้วกันแล้วก็อยู่ได้ตัวการต่อไปนั้นพิจารณาแล้วต้องอดกัน คือพวกอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบมันก่อให้เกิดทุกข์บ้างก่อให้เกิดความโกรธบ้างก่อให้เกิดความรักบ้างก่อเกิดความโลภ บ, บ้างเนี่ยต้องบรรเทาคือว่าต้องต้องอดทนมันจะบรรเทาก็ต้องอดนองนทอออดนเอาเพราะอารมณ์ที่ยั่วยุยั่วยวนเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเราหลีกหนีอะไรไม่ได้เราปัญหาสําคัญในะลองสังเกตว่าเรารับผิดชอบในตัวเองเราไม่ไปแก้ปัญหาโลกเราไปแก้ได้ยังไง แก้ได้ยังไงแม่คนนินทาเราอ่ะมันแก้ไม่ได้ก็ปล่อยก็ปล่อยก็อยากนินทาก็นินทาไปแต่เราไม่ได้ชั่วไปตามเขานินทาในแง่ของกรรมถ้าในแง่ของสังคมนะใช่นะฮะแง่ของสังคมได้ใช่เพราะว่าสังคมมันจะมีอีกอย่างหนึ่งต่างหากมันเหมือนกับทินเล่านิทานในทศมนตรีที่ท่านเล่าถึงพราหมณ์คนหนึ่ง แบกแพะเพื่อไปใช้ในพิธีกรรมในการบูชายัญเด็กหนุ่มเจ็ดคนมันเห็นข้าวมันวางแผนกันจะหลอกเอาแพะของพรามเลยแต่ไม่ใช่ไปแย่งไปชิงไปป้นไปจี้อะไรอะไรเอานะฮะคือให้แกทิ้งให้แกทิ้งแล้วจะจับออกไปแกก็เรียงรายกนันอยู่ระหว่างทางบอกว่าลุงไปไหนมาทาไปไอ้าวนั่นลุงแบกหมาไปไหนเมื่อตอนนี้เสียงก็ดังนะแกขูะ เ, เด็ก ไม้อะไรเป็นแพะไม่ดูหรือไงตาบอดหรือไงอะไรแกก็ขูเอาแรงแรงแต่ว่าเด็กทุกคนถามเหมือนกันแล้วก็ถามมาลุงแบกแพะแบกหมาไปไหนทุกคนเหมือนกันหมดแต่กระแสะสังคมมันบีดทาให้แกสูญเสียความเชื่อมัน่นทําไปทำมาดูแพะมันมันไม่มีเขามันเหลือแต่หูกลัวมึงก็เล็กลงเล็กลงก็กลายเป็นหมาเรียบร้อยหเลยชิงเลยไม่ทันถึงคนที่เจ็ดทิ้งละนั่นคือกระแสะสังคม ระแสต่างคนเป็นได้เราะกรสต่งคมมันใช้การปลุกเสกเอาเเหมือนกับที่ดินเราที่รวยรวยที่แพงแพงเนะี่ยจริงมันปลุกเสกเอาเวลาพระพปลูกเสกแล้วก็ดา่าเวลาโยบุกเสกที่ดินไม่เห็นด่าเลยปลูกเสกสินค้าเนะี่ยสก็มันปลุกเสกกันทั้งนั้นนะต่างคนเป็นการปลุกเสกเอาเราสร้างเงื่อนไขโดยวิธีการต่างๆผลท้ายก็กอบโกยผลประโยชน์เพื่อตัวเองแล้องสังเกตน่ะที่ดินมันขึ้น ม, นน ม, นนมาธุรกี่เท่าตัวขึ้นไม่ได้ยังไง ลผลว่าทาเวลนี้ก็ไม่ค่อยลงวันก่อนยังคุยกับใครคนหนึ่งเราพูดถึงสถานที่ที่จะสร้างศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนามีปัญหาคาราการสร้างมาสิบกว่าปีแล้วไปยังไม่ค่อยรอดแกบอกที่จริงตัวเนี้ยที่ดินเนี่ยมันลดลงมาต้องจังมากก็าขายได้สี่สิบเอร์เซ็นตแต่ลองก็ให้คนทึกษาดูโห อ, อย่างแพงนัเ มันก็เป็นเรื่องของความโลภโลภธรรมานังบริบันโถความโลภ ก, ก็เป็นอันตรายแย่ง ท, ทั้งหลายแต่วันทีก็เป็นเรื่องที่น่าเอ็นดูโลภแบบปู่สมข้อรั์คือตอนเองก็ใช้สอยประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ให้คนอื่นใช้สอยสำรวจารีท่านใช้ําเพาะครับ ท่านบอกว่าเหมือนสะโบกกรณีที่ผีเสื้อยักก็หวงแหนไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะเวลากระทบการรวมเหล่านี้ต้องทนเอาซะานั้นเองไม่ต้องดา่าต่อผู้ดา่าไม่ต้องโกรธต่อผู้โกรธไม่ต้องประหารต่อผู้ประหารไม่ประทุษร้ายต่อบตอผู้ประทุษร้ายาและประการต่อไปก็คือ ให้เป็นจรณาแล้วเว้นคือพวกอกุศลทั้งหลายนี่เว้นได้เป็นดีที่สุดโดยจะเล็กจะน้อยก็เหมือนกับไฟเหมือนกับสารพิษเหมือนกับยาพิษเว้นได้ดีที่สุดอย่าไปคาดหวังที่เรื่องสะเดาะเคราะห์ไปน้ําพระพุทธมนต์ไปอะไรแหะสิ้นกระแสะกรรมอะไรเนี่ยจะสังคมนี่แปลกชอบคนหลอกลวงไม่รู้เป็นยังไงนะคือบางเรื่องเนี่ยเราอธิบายให้ฟังอะไร แล้วเสร็จแล้วก็โกรธเราหาว่าริษยาเขาไปเห็นเขาดีเขาเด่นเขาดังแล้วพอเสร็จแล้วก็มากราบขอโทษบอกไม่ต้องขอโทษเราเราไม่ได้ไปนั่นอะไรใครหรอกแต่ว่าสัจธรรมเป็นยังไงเนี่ยเรานำธรรมะมาเป็นมาตรวัดให้ดูเฉยๆคือเราไม่มีอะไรเหตุผลอะไรส่วนตัวไม่มีความชอบความชังเป็นการส่วนตัวแต่ว่า มันเป็นภารกิจอย่างหนึ่งในการรักษาสัจธรรมในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็ได้คือว่าญาติโยมเป็นคัรวะในฐานะเป็นพุทธบริษทัทมีหน้าที่ในการรั ก, รกษาสัจธรรมโดยอัตโนมัติเลยเพราะเราประกาศพุทธทางฉนังกชามินี่เราก็มีหน้าที่รักษาสัจธรรมยิ่งเป็นพระพิสุทิสามเด่นแล้วก็ยิ่งเป็นใหญ่เพราะตรงนี้พิจารณาเห็นโทษโดยความเป็นโทษที่ชัดเจนแล้วก็งดเวน้น เป็นความโกรธความพยาบาทความหึงหวงความริษยาฆ่าเนี่ยไปแบกไปทําทอะไรรุงรังปรเปล่าเสียเวลาปเปล่าๆคิดประโยคเนี้ยอย่าเดี๋ยวเกิดอะไรมามรณาอะไรไปเนี่ยก็ได้ล่ะเกิดอะไรมาเอาบุญบาปมามรณาวอะไรไปเอาบุญบาปไปอย่างที่พระปต่าจาราเทรีภิกษุณีท่าน มีวิธีอธิบายให้พ่อแม่ซึ่งลูกตายตั้งแต่เยาว์วัยมีพวกผู้หญิงไปหาพระเทรีมากเพราะว่าพระเทรีมีประสบการณ์เจ็บปวดนะในชีวิตของท่านเนี่ยคือคนกล้ชิดตัวท่านตายเกลี้ยงคืนเดียวหกคนสามีตายลูกชายตายลูกชายคนโตตายคนเล็กตายพ่อแม่พี่ชายถูกตึกถล่มทับตายหมดท่านเหลือคนเดียวเพราะ ว่าวเวดวดเดียวเดียวดายนะช็อกแล้วก็เป็นบ้าไปเลยวิ่งกระเจิดกระเจิงผ้าผ่อนก็ไม่มีเขาเรียกว่าปะตาจาร่นะคือแล่นไปโดยไม่มีพ้านุ่มแต่ว่าไปพบพระวิจาพระวรารับสั่งประโยคสั้นๆเนี่ยจงกลับได้สติเถะน้องหญิงหายบ้าเลยนะพระพุทธเจ้จาเราไม่ธรรมาดา แต่เป็นคุณสมบัติของพระองค์เราเออกมาพูดก็อย่างนั้นนหะแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็มีคนพวกหนึ่งไม่เชื่อแล้วคอยด่าพระพุทธเจ้าต่อด่าเราก็บาปนะด่าพระพุทธเจ้าก็บาปด่าแมวยังบาปเลยนะะด่าฝนตกแดดดอกบาปทั้งนั้นเนะี่ยเือให้รู้ว่าอย่างนะี้คือคนมันก็แปลกนะฮะตั้งสถาปนาตัวเองผมมีสิทธิ์ที่จะดา่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะบาป ดา่ามันดา่าด้วยโทสะ ด, ด่าด้วยดิสยาอะไรก็ตามทําด้วยกิเลสแล้วมันบาป ท, ทั้งนั้นแหละคือเป็นชาวพุทธเนี่ยเราไม่เข้าใจไอสารัะของความเป็นพุทธนะผมเป็นชาวพุทธผมมีสิทธิ์ดา่าพระเอา้าคุณก็มีสิทธิ์จะบาปก็ไม่ได้ว่าอะไรก็อยากด่าก็ด่าแต่ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะบาปแล้วมันเรื่องอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เกิดมาจากอะไร เกิดมาจากอากุศลวิตกฟังกันวิตกเนี่ยท่านบอกให้บันเทาพระเจ้าสอนให้บันเทาย่างที่พูดเรื่องวิตกก่อนๆไหมอนก่อนโน้นก็นานาแล้วนะทีนี้ยตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็คืออะไรล่ะคือหาทางสลัดออกแต่ไม่ถึงกับไปลากกิเลสได้หมดหรอกเพียงแต่ว่ามองให้เห็นโทษชัดเจนแล้วก็เทียบเคียงระหว่างรสอร่อยของกามกับ โทษของกามเนี่ยพุทธนาไม่ปฏิเสธรสอร่อยของกาลหรอกแต่ว่าเทียบเคียงแล้วเนี่ยโทษมันมากกว่าอภิษดาดุขากามาอิติวิญญาญปันติโตบันดิตพิจารณาเห็นว่ากามนี้มีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากนั่นก็คือความจริงแต่ว่าใจของมนุษย์ก็ไปกำหนดด้วยความกำหนัดเรียกว่าด้วยฐามานะทิฏฐินะ ที่จริงเนี่ยจำนวนที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านเคยใชย้เข้ามาตัวกูของกูนะมันเป็นจํานวนในบาลีนะที่จริงแต่ว่าคนบอกว่าหลวงพ่อพูดหยาบไม่รู้หยาบยังไงนะภาษาพรอขุนนะภาษาไทยแท้เขาเรียกว่านกชนิดหนึ่งศาสตราอาจารย์เขาเรียกว่าชื่อว่าไมฮ ก, กะถ้าไมฮ ก, กะก็คือไมหังไมหังแปลว่าอะไรแปลว่าของฉันก็ได้ของเราก็ได้ของกูก็ได้ของข้าก็ได้ก็แล้วแต่จะแปล มันจับตัวไหนมันก็ร้องไม่หั่งไม่หั่งไม่หั่งอยู่เรื่อยเหมือนกับนกเขาอะร้องว่าของกูของกูของกูอยู่เรื่อยแล้วผลทายไม่ได้อะไรเป็นของกูเลยนั้นก็แสดงว่าตัณหาเนี่ตั้งไว้ผิดเพราะจริงๆมันไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างที่ยกตัวอย่างไว้วันก่อนที่ว่าไปไม่กลับหลับไม่ถึงฟื้นไม่มีนี้ไม่พ้นน่ายังพูดไม่ตลอดคือพูดไปได้ข้อนึงไปไม่กลาบเนี่ยท่านบอกว่าการเวลา หลับไม่ตื่นเนี่ยคือความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิวนี้ปลูกยังไงไม่ตื่นเนี่ยนะหลับไม่ตื่นเลยก็เป็นเรื่องของชีวิตคนซึ่งมันตกอยู่ภายใต้การครอบงำของความเห็นที่ปิดแล้วพื้นไม่มีเนี่ยพื้นไม่มีนั้นก็หมายถึง อะไรล้วหมายถึงความตายได้ไรเนี่ยแล้วหนีไม่พ้นเนี่ยนินทาสันเสริญนะฮะใช่ใช่พื้นไม่มีเนี่ยฟื้นไม่มีเนี่ ย, เ, ยเขาบอกว่าได้แก่คนที่ตายหนีไม่พ้นเนี่ยการนินทาสันเสริญปล่อยไม่ต้องไปติดใจในเรื่องประเด็นเหล่านี้ยคือคนบางคนเนี่ยอุตส่าห์ไปสอบถามเออไปดูสิเขานินทาข้าวไว้ยังไงยังไงมันเรื่องปากของเขาเนี่ปลอยเข้าไปเลย มีหลวงพ่อองค์หนึ่งนะท่านท่านแต่งเป็นกรอนแต่มันไม่ได้ครบ น, นะะไม่ได้ครบไม่ได้ครบแปดบรรทัดท่านว่าอั น, นินทากาเลเมือนเทกแกรบไม่เจ็บแสบเมือนมีดมากลีดหินแม่องค์พระปฏิมาอย่างราคินคนเดินดินหรือจะพ้นคนนินทาแล้วบางทีท่านก็แต่งแต่เป็นคำกรอน แล้วก็ดูแล้วก็ไม่ครบเหมือนกันแต่เพราะเป็นภาษาท้องถิน่นเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะฮะท่านบอกว่าสักวา่าหมาเห่าไปตองแห้งเห่าแองแองหนูขู่ผู้เจ้าของเห่าทําไมไม่ตัดควัดไปตองหรือจะลองเห่าเล่นเห่าเล่นเป็นเวลาแล้วไม่ก็เบื้อนินทานก็ว่าไปอย่างนั้นก็ปล่อยเข้าไปเราหนีไม่พ้นหรอกนั่นแหละก็อย่างที่โครงโล ก, กนิดเขาว่าเนี่ะ ห้ามไฟแม้มีควันห้ามพระอาทิตย์ประจันสองโลกห้ามอายุให้มันย้อนกลับก็ไปห้ามตาธรรมอย่างนั้นได้แหละจึงไปเลิกนินท า, าห้ามนินทาในการไถยหลังตอนขันห้าเนี่ยมันต้องเผชิญปัญหาเหล่านี้แต่รวมแล้วก็เป็นชีวิตเนี่ยเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าคือาตามปกติคนเราไปมองอะไรเนี่ยด้วยแยกถือกับรวบถือ แยกถือเช่นสมมติเรามองคนตาสวยผิวสวยผมสว ย, ยอะไรต่วนั้นสวยสวยสวยก็ว่าไปบางคนก็คนนี้สวยเลยก็เอาหมดทั้งคนเลยรถคันนี้สวยว่าทั้งคันเลยบ้านหลังนี้สวยอันนี้เขาเรียกว่าถือโดยนิมิตกับโดยพยัญชนะสรุปว่ารวบหรือว่าแยกแต่ว่าใจมันคล้องติดอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ในที่สุดก็รับสั่งแสดงนะฮะว่า ภิกษุทั้งหลายตลอดเวลาเพียงไรที่เรายังไม่รู้จักรสอร่อยของอุปาทานขันท์ทั้ง5ว่าเป็นรสอร่อยไม่รู้จักโทษว่าเป็นโทษไม่รู้จักอุบายเครื่องออกว่าเป็นอุบายเครื่องออกตามที่เป็นจริงตลอดเวลาเพียงนั้นเรายังไม่รู้สึกว่าได้ดสัตวุพร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสมมาสปุตติญาในโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรมหมมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาแล้วก็หมู่มนุษย์ทั้งหลาย ข้อความตรงนี้จะเหมือนเดิมนะฮะจะเหมือนกับที่ว่ามาว่ามาแล้วในในวันก่อนคือประเด็นสําคัญที่สุดก็คือว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นการการกล่าวโดยสรุปอีกอย่างหนึ่งก็ได้อุปาทานนขันหมายความว่าขันเป็นที่ตั้งของความยึดถือว่าเป็นของเราบ้างเป็นเราบ้า ง, เ ป, เ, าางเป็นตัวเป็นตนเขาเราบ้างยึดถือโดนากการบ้างโดยทิฏฐิบ้างด้วยว่าท้าวาตนบ้างด้วย ข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่ไปปักใจวังใจเอาไว้ว่าด้วยความเคยชินว่าอย่างนี้คือความถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องแล้วในข้อสุดท้ายมันจะจบลงด้วยข้อความเหมือนกันคือการบรรลุมรรคผลเป็นพระานขึ้นไปนะคือคือสรุปว่าพุทธพุทธบุคคลสามประเภทเนี่ยพุทธบุคคลสามประเภทยานจะเกิดเหมือนกันเพียงแต่ว่า เวลาท่านอธิบายอธิบายย่อหรือพิสดารแต่นั้นเอยงยานที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าจะรับสั่งเหมือนกันทุกแห่งเลยก็แลยานได้บังเกิดแล้วแก่เราว่ายานันจะปานเมดัสนังอุดาปัดิยาณทัศนะคือความรู้เห็นตามความจริงได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบคือหลุดพ้นเด็ดขาดไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว มันเหมือนอะไรล่ะอุปมาเหมือนคนศีรษะขาดเนี่ยมันไม่มีทางพื้นเนี่ยเหมือนกับต้นตาลยอดด้วดเหมือนศิลาแตกหรือว่าเหมือนใบไม้เหลืองที่กำลังจะหลุนเนี่ยไม่มีทางเขียวกลับหรอกทีเ่เอาเฉพาะหล่นแล้วนะฮะเอาเฉพาะหล่นแล้วแล้วก็ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติที่เป็นเจ้าชาติตะทะนั่นเป็นการเกิดครั้งสุดท้าย นติดาณิปุญพาปวคศัมก็เหมือนกันเรียกพยัญชนะก็เหมือนกันอัถฐก็เหมือนกันเป็นเรื่องแปลกที่ในหมู่ชาวพุทธยังมาตกเฉียงเรื่องมีอาญาตนานิพพานมีธรรมกายมีพระพุทธเจ้าไปรอยคอยกินเครื่องเส้นอยู่ที่อาญาตานิพพานออกมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีในพระพุทธศาสนานี่นะแต่พวกนี้เขาบอกว่าประจัยวิโดกของเถราวาททําตกหลนไปนะมันก็ใหญ่โตกันเหลืกินนี่ยนะฮะ นี้ก็คือเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าก็จเจริญ ม, มีปัสจณามาแล้วเราสังเกตนะตรงนี้จเจริญ ม, มีปัสจณามาแล้วแต่ข้อความตรงหลังเนี่ยมันเป็นข้อความที่รับสั่งแสดงเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วนะแต่ว่าขันห้าในทรงเอามาพิจารณานแล้วก็ทรงเห็นทางแต่ว่าการตรัสรูท้ทําลายตันหาวปาทานได้หมดเนี่ย มันก็เมื่อเมื่อตอนจดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเท่าฝังทั้ไหลายต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นคราวนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี